มีอะไรรึเปล่ามีอะไรจะถามหรอถามแรกนี่เรตอบได้ <c oughs> อารย์อยากถามพ่อค่ะว่าเอ่อเกิดว่าลูกชายตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะคนไหนคนอนี้ค่ะนี้นนแล้วพ่อกับแม่นี่พอจะออทำยัะไรที่จะช่วย สอไบ้างคะอ๋อก็ช่วยรักษาเลยพาไปหาหมอหาอยาดูแลไปตามเหตุตามผลร่างกายของคนทุกคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บเร็วเจ็บช้าก็รักษาไปดูแลไป ถ้าจะถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาก็เตรียมเตรียมซื้อโลงไว้ทั้งของเราทั้งของเขาไม่ใช่แต่จะก็ของทุกคนเนี่ยนเนี่ยทุกคนจะต้องมีโลงกันสักหนึ่งโลงถ้าคิดตามวิปัสสนานะก็ให้คิดว่าร่างกายมันเป็นที่อยู่อาศัยชั่วข่าวเป็น เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่เราใช้อาศัยทำงานให้เราแันที่สุดมันก็จะต้องมวดแรงปวดเนี่ยวปวดแรงทำไม่ไหวอยู่ต่อไปไม่ไหวแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปวุ่นวายเราเป็นใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่าง เราใช้มันไปให้เกิดประโยชน์กับใจถ้าใจให้มันเกิดประโยชน์กับใจมันก็ทาให้ใจมีมีที่พึ่งมีความสุขแล้วก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องอาศัยร่างกายตอนนี้ที่เรายังเดือดร้อนกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งให้กับใจใจเลยต้องพึ่งร่างกาย พอร่างกายพึ่งไม่ได้เราก็เดือดร้อนขึ้นมาเราต้องมาสร้างที่พึ่งให้กับใจถ้าใจมีที่พึ่งแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาให้เราเปลี่ยนที่พึ่งกันตอนนี้เราพึ่งร่างกาย หาความสุขต่างๆหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้งกายได้ไปดูได้ฟังได้ยินได้ดื่มได้รับประทานอะไรก็มีความสุขถ้าไม่ได้ทำก็มีความทุกข์ทีนี้ร่างกายมันจะไม่สามารถรับใช้เราไปได้ตลอดเพราะใจเรานี้อายุมันยาวกว่าร่างกายใจนี้มันไม่มีวันตาย ร่างกายนี้มันก็ต้องหมดสภาพไปร้อยปีอย่างมากก็ทําอะไรไม่ไหวแล้วถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่เวลาเกิดใหม่ร่างกายที่เ ร, เราได้มาเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ร่างกายดีหรือไม่ดีเพราะมันขึ้นส่วนหนึ่งก็อยู่กับที่พ่อแม่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บุญกรรมที่เราทำมามันก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรร ม, มเขาก็ได้ร่างกายของเขามาแบบนี้เขาก็ต้องอยู่กับมันไปใช้มันไปจะอยู่ได้นานหรือไม่นานก็ไม่มีใครรู้แต่จะอยู่ไปตลอดไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลดพลากจากกันเป็นธรรมดาวงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเราคอยสอนใจเราจะได้หาวิธีอย่าไปพึ่งร่างกายพระเจ้าบอกให้มาพึ่งทำของพระพุทธเจ้า พุทธังธรรมังสังขังสาวนากระชามิพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติคนพบที่พึ่งอันใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหรือให้พึ่งการภาวนาพึ่งการรักษาศีลในวันนี้เราจะรักษาศีลแปดกัน แล้วก็ภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกายมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาความสุขข้างนอกตอนนี้ใจเราไม่มีความสุขในตัวของมันเองเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ แต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวสุขประเดี๋ยวก็ะเดสุขแล้วก็หมดไปได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปก็อยากจะได้อีกก็ต้องไปหามหม่ก็ต้องใช้ร่างกายแต่ร่างกายมันไม่สามารถที่จะหาตอมความอยากของเราไปได้ตลอด แต่ความอยากของเราไม่หมดไปจากการที่เราได้อะไรมาเพาสิ่งที่เราได้มามันไม่ได้มากำจัดความอยากมันมาเพิ่มความอยากมาต่อความอยากมันก็เลยอยากไปเรื่อยๆมันก็เลยวุ่นวายเวลาร่างกายไม่สามารถที่จะทำตามที่เราอยากได้เราจรึงต้องมา หาที่เพึ่งใหม่อย่าไปใช้ร่างกายเพราะร่างกายเพิ่งได้ไม่แน่นอนไม่ถาวรเอาเพิ่งในสิ่งที่แน่นอนถาวรดีกว่าก็คือเพึ่งใจนี่แหละใจสามารถผลิตความสุขให้กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องกำจัดความอยาก ทางตาหูจมูกทิ้งกายเช่นวันนี้ถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องถือศีลแปดจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายห้ามต้องห้ามต้องเบรกไว้เพื่อจะได้เอาเวลามาหาความสุขทางใจมานั่งสมาธิกันนั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆนั่งไม่ใช่นั่งแค่วันละครั้งสองครั้ง ทั้งละสิบนาทีสิบห้านาทีมันไม่พอมันต้องนั่งทั้งวันตื่นขึ้นมาก็นั่งเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินสลับกันไปไม่ต้องไปทำอะไรพยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้แล้วเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะชำนาญเราก็จะสามารถสร้างความสุขได้ตลอดเวลา ไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขแล้วไม่ต้องนั่งทำอะไรอยู่ที่ไหนเวลาใจก็ทำให้ใจสงบได้ทำให้ใจมีความสุขได้ก็ไม่ต้องเดือนร้อนกับเรื่องของร่างกายก็เลี้ยงร่างกายไปตามอัตภาพถึงเวลาก็ให้มันกินถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็นอน ใครก็รู้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดทำงานไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่เราไม่เดือดร้อนนะเพราะเราไม่ต้องใช้มันนะมันเจ็บใกล้ได้ป่วยเรากนะ็เราก็ทาใจเราก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขตายก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะว่า มีความสุขในตัวเราแล้วความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้ mm hmm. ก็คือคำตอบสั้นๆดูไปรักษาไปถ้าเราไม่รู้จากวิธีรักษาก็ไปหาหมอหายาให้เขาช่วยรักษาให้ ก็ถือว่าเป็นบุญกรรมของเขาที่เขาเกิดมาได้ร่างกายอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุญกรรมส่วนหนึ่งก็เรื่องของกรร ม, มพันธ์พ่อแม่เป็นอย่างไรก็ให้อย่างนั้นมากับลูกพ่อแม่มีมีโรคติดตัวมมันก็ติดมันก็ส่งมาผ่านทางลูกได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมที่เขาทามา างที่พ่อแม่ไม่มีอะไรเสียหายแต่ลูกกลับมีความเสียหายครนนี้ก็ต้องอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของเขาทำไงได้อยากจะมาเกิดอยากจะมีร่างกายมันก็ต้องอย่างนี้แหละตห้มันดียังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีก็อมองคนที่เขาแย่กว่าเราแย่กว่าลูกเราก็แล้วกัน เด็กที่เป็นดาวก็มีเด็กที่เป็นออทิสติกก็มีเด็กที่พิกลพิ ก, การแขนขาดขาขายหูหนวกตาบอด ก, ก็มีมันก็เป็นเรื่องของร่างกายถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกกับร่างกาย <im it> ก็อย่าใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งพยายามมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สร้างที่พึ่งทางใจกัน แล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้ายังพึ่งร่างกายอยู่มันก็ต้องเจอแบบนี้หละอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมีลูกก็ได้ลูกมาอย่างนี้บางทีก็ดีบางบางทีดีทั้งร่างกายแต่จิตใจไม่ดีก็มีเกเร มีเรื่องมีราเลี้ยงมาก็โตขึ้นก็นมีแต่เรื่องแต่เราให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราพึ่งร่างกายกันพอพึ่งพึ่งร่างกายมันก็มีผลต่อเรื่องตามมาเป็นลูกโซ่เห็นทาตามพพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเห็น้วท่านว่ามันเป็นทางไปสู่ความทุกข์ ทางที่พวกเราอยู่กันนี่เดินกันนี่มันเป็นทางที่พาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ได้สู่ความดับทุกข์ทางแห่งลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่เป็นทางสู่ความทุกข์เป็นลูกโซ่ต้องตัดมันหยุดมันอย่าไปทางอย่าไปหาลาบยศสารเสริญ อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขทางใจดยการทำทานรักษาศีลภาวนาแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาเงินไปทำทานแทนจะตัดความอยากอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอะไรที่ไม่จำเป็นต้องดูต้องฟังก็เอาเงินที่จะใช้นี้ไป ทำบุญทำทางหรือเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ก็ได้ก็เอาเก็บไว้สําหรับดูแลร่างกายเราจะได้หยุดทํางานได้ถ้ามีเงินก้อนหนึ่งก็หยุดทํางานได้เราจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจได้มาอยู่วัดถือศีลแปดปฏิบัติทําได้ทั้งวันทั้งคืน พอมีความสุขในใจแล้วก็มันก็จะไม่ต้องการอะไรนี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้าทางของพระพุทธศาสนาเป็นทางออกจากกองทุกต้องหยุดการแสวงหาลาบยุศสรรเสริญสุขเรามาหามรรคผลนิพพาน ด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าไม่มีเงินทําทานต้องเก็บเงินไว้ใช้กับการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องทําทานรักษาศีลไปถ้าจะปฏิบัติธรรมภาวนาก็ต้องรักษาศีนแปดศีนแปดเพราะมันจะได้กั้นความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจะได้ไม่เสียเวลา จะได้มีเวลามาภาวนาอย่างเต็มที่ให้คนมาอยู่บ้านนี่เขาก็หาความสุขแบบคนที่อยู่บ้านไม่ได้จะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะกินอาหารหนังจากเที่ยงวันแต่แล้วก็ไม่ได้จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ได้จะเริ่มหลับนอนกับใครก็ไม่ได้จะนอนบนฟูกหนาๆก็ไม่ได้อันนี้เป็นการตัด การกิจกรรมที่มันไม่มีเกิดประโยชน์จับใจว่ามันกิจกรรมที่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือต้องหยุดกิจกรรมกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายแล้วมาใช้ธรรมะเป็นเป็นเครื่องมือมาใช้สติจเจริญสติเพื่อทาใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุข แล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้เพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากที่คอยทำลายความสงบได้ต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาทุกครั้งอยากก็อยากกับอะไรก็จะรู้ก็จะรู้ว่ามันเป็นการเดินเข้าหากองทุกอยา ก, กบรูปเสียงกลิ่นรสก็เข้าหาความทุก อยากกับลาบยศสารเสริญก็เข้าหาความทุกข์มันก็จะไม่อยากหยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากใจก็ไม่ไม่วุ่นวายใจก็จะสงบของมันเองเหมือนน้ำที่มันไม่มีใครไปตักมันก็จะนิ่งถ้ามีคนไปตักไปเล่นอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่นิ่งน้ำถ้าเราปล่อยมันท้่ไม่เฉยๆมันก็จะนิ่งใจของเราถ้าปล่อยมันเฉยๆ ไม่ไปกวนมันมันก็นิ่เราชอบกวนมันด้วยความอยากพออยากแล้วมันก็กเพิ่มกระสับกระสายกะวนกระวายหงุดหงิดลำคาญใจามอะไรต่างๆนี่มันเกิดจากความอยากนั้นถ้าเห็นโทษของการอาศัยร่างกาย ก็จะได้พยายามเปลี่ยนวิธีทางใหม่หันมาใช้การพึ่งธรรมะธรรมังสารนังกระฉามพึ่งการทำทางพึ่งการรักษาศีลพึ่งการภาวนาถ้าเราทำได้เราก็จะมีที่พึ่งไปตลอดอาจารยไหม มีอะไรบ้างจะเลาอะไรบ้างก็อยากจะก็คือตอนนี้อยากอยากจะศึกษาแนวทางปฏิบัตินะครับอ่อย่างเงี้เอาหนังสือไปอ่านหาซีดีไปฟังต้องใจเยน็นๆต้องศึกษาไปเรื่อยๆเจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยปฏิบัติ ก็อย่าไปวิ่งตรงไม่มีใครรู้ว่านาคุณว่าจะเป็นยังไงเราจะไปก่อนเขาแล้วเขาจะไปก่อนเราแเราก็ไม่รู้ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีอะไรจะถามไหมไม่จะค่ ะ, ะมีอะไรหรือเปล่าใชอ่า ดีของมักจะเวลาเวลานั่งสมาธิมากหรือว่าเวลาทำงานครับมักจะเสหลใจไปกับความคามอยากพอดีผมต้องทำงานเกี่ยวกับที่จะต้องดูแลรักษาคนมักจะอยากให้เขาหาย hmm. มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า บางทีอยากจะให้เขาหายมากมากไปเออก็หยุดมันเลยหความอยากใช้พุโทโธพุโทโธท่องไปภายในใจแล้วก็บอกว่าความอยากมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้คนห า, หายหรือไม่หายสิ่งที่จะทําให้คนหายไม่หายก็คือหมอหรือยาแล้วก็อาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้ ว่โรคบางโรคมันก็รักษาไงมันก็ไม่หายแอ้วไปคิดว่ามันไม่ใช่เราเท่าหหไหร่เลยจะอยากทาไมเรื่องของเขาหายก็หายไม่หายก็แล้วเห็นเดือดร้อนตรงไหนรักษาให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดมันจะหายไม่หายนี่มันก็มันก็แล้วแต่ยาแล้วแต่โรค ถ้ายาสู้โรคได้โรคมันก็หายถ้ายาสู้โรคไม่ได้หรือไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายมันก็มีแค่นั้นใช้เหตุผลอย่อย่าใช้อารมณ์ใช้หลักเหตุผลข้อแรกก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ก็ก็รักษายากถ้าวิเคราะห์ได้ว่าเกิดเป็นเกิดจากอะไร แล้วมียารักษามันก็เดียวเดียวมันก็หายถ้าวิเคราะห์แล้วรู้ว่ารักษาไม่ได้เพราะไม่มียาก็ต้องมันก็ต้องไม่หายเช่นพอเป็นมะเร็งแล้วมันจะไม่หายทํานี่มันก็ตายรูปเดียวตายช้าตายเร็วตายก็ดียังสบายจะได้ไม่ต้องมารักษากันให้เหนื่อย รักษาหายเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็เป็นอีกอพอตายแล้วมันก็หายสนิทเลยมันไม่กลับมาเป็นอีกอทุกโรคเลยไหนแม่หน่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวไม่หายใจทุกโรคทุกอย่างก็หายไปหมดความตายนี่รักษาได้ทุกโรคใช่ไหมฮะ ก็ใช้เหตุผลคิดได้แค่นี้มันก็มีแค่นี้เองมัมีอะไรถ้าเป็นหมอก็ดีแต่ไม่หายจะได้กลับมารักษาบ่อยๆจะได้มีลูกค้าถ้ารักษาหายแล้วเดี๋ยวเขาไม่กลับมาเราก็ไม่มีอยากจะมีลูกค้าหรอถ้าอยากจะมีลูกค้าก็าเอาแต่เลี้ยงใข้ไว้อย่าไปรักษาให้มันหาย สาหาสเขาก็ไม่กลับมาหาเราอย่างคนบางคนมาหาเราเพราะเขา <Okay. S 1> เขาเดือดร้อนยากจนพอเขาร่ำรวยขึ้นมาเขาก็ไม่กลับมาหาเราละ mm hmm. เขาสบายใจละ mm hmm. เราก็ขาดลูกค้าไปเราต้องเลี้ยงลูกค้าปล่อยให้เขาไม่สบายใจไปเรื่อยๆ mm hmm. เขาจะได้มาหาเราอยู่เรื่อยๆ mm hmm. จะได้มาทาบุญอยู่เรื่อยๆ ถ้าเขาหลุดพ้นปับเขาหายจากความทุกข์แล้วเขาก็ไม่มาหาเราแล้วเขาก็ไปตั้งร้านแข่งกับเราเนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละใจเขาไม่เป็นอะไรหรอกร่างกายตายไปใจเขาก็เหมือนเดิมร่างกายเขาเป็นอะไรใจเขาไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเหมือนคนขับรถกับรถนี่มันคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์น รถยนเสียก็ซ่อมมันไปซ่อมเสร็จก็เอามาขับต่อขับไปจนกว่ามันจะเสียก็เข้าอู่ใหม่จนกว่าจะซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปเปลี่ยนรถใหม่คนขับก็คนเดิมใช่ไหมแต่รถนี้คันใหมนะ่เปลี่ยนคันใหม่ใจง่ายแบบเดียวนะใจมีอายุยืนยาวนานกว่าร่างกายใจไม่ตายไปกับร่างกาย พอร่างกายเสียใจก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ถ้ายัางต้องใช้ร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่เหมือนกับคนที่ต้องใช้รถใหม่ก็รถเก่าเสียก็ต้องขายทิ้งไปเปลี่ยนซื้อคันใหม่มาขับต่อเพรานคนไข้เขาเขาไม่เป็นอะไรใจเขาไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเขาเราซ่อมร่างกายเขาแต่ใจเขาไม่ได้เป็นอะไร เขาทุกไปเองเขาหลงไปเองพอหลงไปคิดว่าเขาเป็นร่างกายพอร่างกายไม่สบายเขาก็วุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเขารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็เฉยๆได้ทำใจเฉยๆได้เหมือนเราทาใจเฉยๆกับรถยนต์นะฮะรถยน์เสียล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปขับมันถ้ามีเงินซ่อมก็ซ่อมไป ่เราต้องม า, าเตือนเราอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับเราก็ขับร่างกายนี้ไปทํานู่นทํานี่พอเสียก็ไปเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปหายาพอหายก็กลับมาขับมันต่อใช้มันต่อเจนกว่ามันจะเก่ามันจะผุมันจะพังตอนนั้นก็ต้อง ยกให้วัดไปบรยจากให้วัดไปยกให้สับปเปลือกไปแล้วเราก็ไปหารถเราก็ไปหาร่างกายใหม่ถ้าอยากได้ร่างกายดีกว่าเก่าก็ต้องมีเงินมีบุญถ้ามีบุญเยอะก็ะได้กลับมาเกิดดีกว่าเก่าถ้ามีบุญน้อยก็จะกลับมาแยก่กว่าเก่าเหมือนกับถ้าเรามีเงินน้อย เราก็ซื้อรถแบบดีกว่าดีกว่าคันใหม่ดีกว่าคันเก่าไม่ได้ก็อาจจะซื้อรถที่ถูกกว่าคันเก่าก็คุณภาพก็ไม่ดีสู้คันเก่าเพราะเงินเราน้อยเราไม่เก็บไว้สําหรับซื้อรถยนต์เอาไปซื้ออย่างอื่นหมดพอถึงเวลาจะซื้อรถก็เลยไม่มีเงินซื้อรถที่ดีทันใดเราก็เนี่ยเอาเวลาของเราไป ใช้กับอย่างอื่นหมดใช้กับกิเลสตัณหาความอยากเลยไม่มีเงินทาบุญเวลาตายไปก็เลยไม่ได้ร่างกายที่ดีถ้าไปทำบาบยิ่งได้ร่างกายที่แย่ใหญ่แทนที่แลร่างของมนุษย์ก็จะได้ร่างของเดะชะฉานไปเนี่ยแต่ใช้เหตุผลเหตุผลมันก็จะ เรางับความอยากได้คิดด้วยเลยนะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโรคบางโรค ก, ก็รักษาให้หายได้บางโรค ก, ก็รักษาให้หายไม่ได้โรคของมนุษย์นี้หรือของสัตว์เดรัชานี้ก็มีอยู่สามโรคนะโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษามันเดียวมันก็หายโรคชนิดที่สองก็เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย ถ้าไม่รักษาก็ไม่หายโรคชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ตายเท่านั้นถึงจะหายมันจะไปวิ่งตกอะไรธรรมชาติอนาคตของร่างกายมันมีไ ม, ม่มีทางเดินของปันไปอยู่แล้วทางสู่โรคทั้งสามนี้อยู่ที่คนขับ อยู่ที่คนมาดูแลร่างกายนี้ต้องทำใจแนะ่นนต้องยอมรับความจริงอันนี้ไม่มีไม่มียาวิเศษขนาดไหนหมอวิเศษขนาดไหนที่จะทำให้ร่างกายไม่ต้องเจอโรค3ามโรคนี้ไม่ได้ไม่มีต้องเจอด้วยกันเนะั้นเจอก็เจอเถร่างกายมันไม่เห็นกลัวเลยร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เห็นกลัวความแก่ความเจ็บความตาย แต่ใจมันไม่ได้แกไ่ ไ, แกไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายมันกลับไปกลัวแทนร่างกายทำไมใจนี่มันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ตายมันก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเวลาแก่มันก็คิดเหมือนเดิมรู้เหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมเวลาเจ็บมันก็คิดได้เหมือนเดิมรู้ได้เหมือนเดิมเวลาตายมันก็คิดได้รู้ได้เหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่มันไม่รู้มันไปหลงคิดว่ามันเป็นร่างกายมันก็เลยวุ่นวาย ใจเลยเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดงนั้นพยายามมาสอนใจพยายามทําใจให้มันปล่อยวางร่างกายให้ได้วิธีปล่อยวางร่างกายก็คือทําใจเฉยๆไม่ยินดียินร้ายกับร่างกายวิธีที่ทําให้มันยินไม่ยินดียินร้ายก็ต้องนั่งสมาธิ นัางทำใจให้สงบแล้วมันก็จะไม่ยินดีได้กับร่างกายวิธีจะทำให้มันสงบก็ต้องพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะสงบพอสงบแล้วมันก็เฉยเฉยกับร่างกายได้แต่มันเฉยได้เดียวเดียวเดี๋ยวออกจากสมาธิมามันก็กลับไปยินดีได้ม ฉอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปยินดียินร้ากับมันยินดีกับความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นอย่างไรก็ยินดีตอนนี้มันไม่เจ็บก็ยินดีตอนนี้มันเจ็บก็ยินดีตอนนี้มันจะตายก็ยินดีถ้ายินดีกับทุกอย่างมันก็ไม่ทุกข์มันก็จะสบายใจเย็นใจสุขใจ พอใจไม่ต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทําใจให้ให้ปล่อยวางให้เป็นถ้าปล่อยวางเป็นแล้วก็จะสบายตอนนี้เราปล่อยไม่เป็นเรายึดติดพอยึดติดแล้วก็อยากให้สิ่งที่เรายึดติดนี่ดีเราติดยึดติดกับคนไข้ก็อยากให้คนไข้าหายเราต้องพิจารณาว่าเรา ไม่ใช่เป็นเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ร่างกายของคนทุกคนนี่เหมือนกับฝนฝนฟ้าอากาศมีใครไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศได้นะสั่งให้ฝนตกเมื่อไหร่สั่งให้ฝนหยุดเมื่อไหร่ได้ไหมแล้วพอสั่งไม่ได้เราต้องทำไงแล้วก็ทำใจกันแล้วก็อยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ ันมันจะตกแดดมันจะออกน้มจะท่วมอากาศมันจะแรงเราก็อยู่กับมันได้เพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ทำใจร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ท่า ม, มันไม่ได้เราก็ต้องทำใจทำใจแล้วเราก็สบายไม่เดือดร้อนเข้าใจไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> เน้นงหัดทําใจแล้วจะมีความสบายมีอะไรแต่ว่ามาั้าอาจารย์อย่างที่ถามค่ะอาจารย์วันก่อนนัดตรงที่ว่าพอเราเดนตรงรงเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่ชีวิตปกติปุ๊บเห็นาการปฏิฆะคพื่อผู้มีวิาปุ๊บ ขาอาจารย์ตอบว่าหนูอบอกว่าหนูก็เลยลองใช้ปัญญาโดยว่าแบบต้องใช้อาสุพะคือปฏิฆาแต่อสุภะมันเยเป็นยังไงก็ได้ครัก็เวลาเกิด<ม>การมาลงขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาเราอยากกินกาแฟแล้วไม่ได้กินนี่มันก็ฮืดฮัดฮืดฮัดหงุดหงิ ด, ดปฏิฆาก็ขึ้นมางนั้นต้องหยุดความอยากกินกาแฟพอหยุดได้แล้วมันก็จะไม่มีปฏิฆา สำหรับในเรื่องของกาแฟแปฏิฆามันมันเกิดจากการมีการมารวมกับลูกเสียงกลิ่นรสโหดทพะมันต้องตัดหมดเลยมันถึงปฏิฆามันถึงจะหมดได้วันนั้นที่เห็นปฏิฆาเพราะอะไรเพราะว่าจะมาไม่คิดว่าตัวเองต้องอยูเ่เวร แล้วพอเกิดดูตารางเวสิตแล้วลูต้องอยู่เวอันนั้นไม่ปฏิฆะหรอกอันนั้นอันนั้นความหงุดหงิดเกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจอันนี้มันแล้วไม่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆาคือความหงุดหงิดที่เกิดจากเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องทําใจสัพเพ昙มาณตาไปควบคุมบังคับเหตุการณ์ต่งางๆไม่ได้ คงดหงิดมนมีหลายหลายหลายอย่างแต่มันไม่ใช่คำหงุดหงินดนี่ที่คําว่าปฏิฆะนี่มันหงุดหงิดจากการอารมณ์แต่ที่หงุดหงิด น, นี่มันหงุดหงิดจากไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจไหมเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัจท่านแสดงว่าสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พลาดภาคจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์ อันนี้เรียกว่าทุกข์มันก็ปฏิฆาเหมือนกันนะแตมนม่มันไม่ได้เป็นเราไม่ใช้คําว่าปฏิฆาปฏิฆานี่หมายถึงในกรณีที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วไม่ได้เสกกามอารมณ์ก็พูดถึงอย่างปฏิฆาที่เกี่ยวกับกินกาแฟว่ากาก็กไม่เกี่ยวถ้ากินกาแฟก็ต้องดูก็อสุภะก็ต้องดูอาหารเลยปฏิกูลสัญญา ดูเวลามันผสมกับน้ำลายแล้วถุยออกมาแล้วกินเข้าไปใหม่ได้ปะมันอร่อยก็ก่อนจะกินก็ถุยน้ำลายใส่เข้าไปในถ้วยกาแฟก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องไปผสมกับน้ำลายเราดีหวานทางจีนอเยนแม่าบารรสชาติอ่อเยรอก็ไม่ไม่กล้ากินกลับก็เป็นอ่าทไมนะก็อร่อยไม่เ่ แ ต, แต่รู้ว่ารถมันไม่เปลี่ยนในะ่ีหลงไปในกระพกเพาะบอลก็ยังไม่เปลี่ยนก็ไม่ไดเปลี่ยนหรอกมันยังไม่มีเวลาที่ไปมีปฏิกิริยากับาสารอย่างอื่นในอริยสัจ ส, สีอย่างที่พอาจารย์เคยแสด ง, ดว ง, รร ง, งเวลาเราพิจารณาเป็นไตรักจะแบ่งเป็นอนิจจังกับอนัตตากับทุกขงังแต่บังเพลงส่วนใหญ่ที่เห็นจะเห็น ทุกขังที่มันเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอย่างเนี้ยถือว่าเราพิจารณาเข้าสู่อริยสัจสี่นใช่ไห่ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าถ้าพิจารณาลงไปให้ดูเหตุแห ง, งทุกข์ทําไมเราถึงเกิดอาการอย่างเนี้ยออ <Bla. S 2> แค่นี้เพียงพอไนหะ้ครับอาจารย์ก็ต้องให้มันหายทุกข์มันมันจะเพียงพอต้องจิตใจต้องกลับมาเป็นปกติ ถ้าถ้อย่างนี้ในกรณีนี้ก็ถือว่าที่เขาบอกว่าให้เ <processo> ห็นทางในในสติปัญญาสิ่งเห็นทางก็คือเห็นไจรักแต่เห็นอริยะคือเห็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็จะรูอว่าเห็นต่อให้เห็นอริยะต่อสิก็ต้องพยายามใช้ปัญญาลงอย่าไปคายกันนี้ก็ลองดูเอาก็แล้วเห็นอันไหนแล้วมันดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้ ฆ่าไปทำไมครับก็ไปปฏิบัติสิแล้วก็จะรู้เองไม่ต้องมาถามอปฏิบัติส่วนใหญ่เฉยนแต่ว่าพอมันเกิดอาการไหวของจิตพวกเราก็รู้ว่าทุกควาเกิดแล้วแล้วหยุดเป็นได้ไหรือเปล่าได้บ้งได้บ้งส่วนใหญ่ก็ใช้พอมันส่วนใหญ่ก็รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็นิ่งไว้เดี๋ยวไม่ก็ดับทีนั่นนิ่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่ได้ ถ้าอยากแม่แม่มันกลับมาเกิดก็ต้องก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นยาเสพติดไงเห็นยาเสพติดเห็นโทษของมันไหมออากล้าเสพไม่ยาเสพติดอ่ก็แฟมันก็ยาเสพติดแบบอ่อนๆยังไม่เห็นโทษของมันมันก็เสพอยู่นั่นอ่ะเราทำเราทำให้เราเป็นทาสของมันยิ่งนะ มันต้องเห็นทุกก็ได้เห็นหน้านิจังก็ได้เห็นหน้านาตาแล้วเห็นทั้งสามตัวก็ได้เมื่อถ้าเป็นการมาลงก็ต้องเห็นอสุภะเรื่องไหเห็นอาหารเลยปฏิกริยารสัญญาถ้าเป็นการมาลงเกี่ยวกับรูปรดกลิ่นสีของอาหารนี้มันก็ต้องทําลายรูปรดกลิ่นสีที่สวยงามที่น่าดมน่าชมดูตอนที่มันออกมาจากทางทวารหนักด้วย มันน่าดมน่าชมเมันก็มาจากอาหารจานเด็ดที่อยู่ในในจานนี่แหละพิจารณาให้มันแก้กันถึงมันต้องเอาของที่มันที่มันน่าเกลียดมาลบล้างกับของที่มันน่ารักมันก็ของตัวเดียวกันเพียงแต่มันเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองถ้ารักคนหลงคนก็ดูเวลาเขาตายบ้างเวลาตายแล้วยังรักเขาอยู่เป่ะ เวลากลายเป็นซากศพแล้วนอคิดอย่างนี้มันต้องเอาของตรงกันข้ามมาแก้กันเราลักของสวยของงามเราอยากจะเกียดมันแตเราก็ต้องไปดูเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันไม่สวยไม่งามแล้วเรายังจะลักมันอยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่เหตุผลของความอยากของเราบางทีเราไปอยากให้มันเที่ยงล้วก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยง พรเราไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็ต้องไม่มองว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันอยู่ที่ความอยากของเราว่ามันมีมันมีสมุธฐานมีพื้นฐานอยู่อะไรอยากให้มันสุขก็ต้องมองให้เห็นว่ามันทุกข์อยากให้มันเที่ยงอย่างเช่นร่างกายเนียอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ต้องไม่มองว่ามันแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าจะมองว่าเป็นของเราอย่างนี้ย สามีนี่เป็นของเราเนี่ยจะต้องเป็นของเราคนอื่นมาแย่งเราไปไม่ได้เนี่ยเราไปดูสามีของคนอื่นที่เขาถูกแย่งไปดูที่เป็นยังไงไปดูตัวอย่างของคนอื่นก็ได้แล้วเรามีอะไรมามารับประกันว่าก็จะเป็นของเราไปตลอดอต้องมองอย่างนี้สลถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งให้อยู่กับเราไปตลอดได้ ดัน้มันอยู่ที่ว่ากี่เลข่ของเรามันจะพุ่งไปตรงจุดไหนพุ่งไปในความสุขก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่สุขมันเป็นความทุกข์ถ้าสู้พุ่งไปในความเที่ยงแท้แน่นอนถาวรก็ต้องไปดูว่ามันจะเที่ยงแท้แน่นอนถาวรไปได้ทั้งกี่วันมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ถ้าไปเห็นว่ามันน่ากินก็ต้องไปดูเวลาที่มันไม่น่ากินบ้างเป็นยังไงมั น, เ ป, นเป็นเหมือนเหรียญสองด้านของงานเดียวกันเนี่ยแต่เราไปมองด้านเดียวด้านดีด้านที่เราชอบดูไอ้ด้านที่เราไม่ชอบดูเราไม่ดูกันเราก็ไปหลงรักไปหลงทุกข์กับมันไปเพราะเวลามันเปลี่ยนมันพลิกด้านขึ้นมาจากเที่ยงเป็นไม่เที่ยงนี่ก็ร้องห่มร้องไห้กันลนะ อยากเป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปมันก็ร่องหงมร่องหาแฟนทิ้งเราไปไปนี้แฟนใหม่นี้จะทำไงห้ามเขาได้ป่ะใช่หไหมหมอถึงไม่มีแฟนใช่ไหมเพอมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นของหมอใช่ไหมไม่มีใครเขาเราทำไมจะไม่มองเราไม่ไปมองเขาเองอ่ะอเราไปประเมินตัวเราต่ําเกินไปเองอะ่ะ ัญหาคนหูหนูตาบอดเขก็ายังมีแฟนได้เลยแล้วมันดีกว่าคนหูหนูตาบอดขนาดไหนถ้ามันจะมีไม่ได้หรอเราไม่สนใจเองใครมาจีบหน่อยก็ใส่เขาเห่าใส่เขากัดเขาเอาก็ไม่เอาสิเราต้องวิเคราะห์ว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนเราทุกข์เพราะความอยากให้มันเที่ยงหรืออยากให้มันเป็นของเรา เ้าอยากให้ความสุขกับเราเราอยากจะให้มันสวยไปนานๆ น, น่ารักไปนานๆต้องดูว่าเราเราอยากในในในแบบไหนแล้วเราก็ต้องแก้มันไปตามตามเรื่องของมันเหมือนเหมือนหมอเป็นหมอเนี่ยเวลาคนไข้มาหาปวดท้องก็ต้องหายาแก้ปวดท้องให้กินไม่ใช่เอ้าเอายา aw, แก้เอาทิพซี่ไปก็แล้วกันไปมาก็ให้ทิพซี่ไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนให้มันเสียเวลา วิปัสสนาก็เป็นเหมือนกับหมอนะต้องวิเคราะห์ว่าทุกนี้เกิดจากอะไรมันมีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาตัวไหนละ่ะตอนนี้มันเป็นตัวไหนวิเคราะห์ดูการมาตัญหาก็ต้องใช้ปฏิกูลใช้อสุภาะแล้วแต่กับวัตถุที่เราใช้ถ้าเป็นคนร่างกายของคนก็ต้องดูร่างกายที่ไม่สวยงาม ถ้าเป็นอาหารก็ต้องมองอะมองมองอาหารที่มันเวลามันเน่าบูดไปแล้วเวลามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วจะมีคำถามว่าเวลาถ้าสาหรับคนที่เขาไม่ได้รับถือาศาสนาพูดเวลาก็มีความเครียดจากคนรอบข้างเกสอนเขาย่างไรคะศาสนาพุทธมันไม่ได้เป็นาศาสนาบอก่ามันเป็นยารักษาโรคความเครียด ก็บอกว่าความเครียดก็เกิดจากความอยากถามว่าตอนนี้เขาอยากอยากได้อะไรสมมติมีอย่างสมมติเขาเครียดจากคนรอบข้างแบบพี่ชายลูกอยากให้คนดีกับเราใช่ไหมอยากให้เขาเข้าใจเราเขาจะมาพูดให้เราทุกข์หรือไม่ก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ทำปล่อยเขาทำไปที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่อยากให้เขามาพูดมารบกวนใจเราที่เราห้ามเขาได้หรือเปล่า ห่างความไม่ได้ก็ปล่อยก็ทําไปที่ก็จบพอปล่อยเขาทาไปเราก็ฟังไปเขาจะพูดอะไรเขปล่อยก็พูดไปมันก็ไม่เครียดเครียดเพราะความอยากไม่ไม่ไม่อยากจะฟังเคือได้ยินได้ยินเรื่องที่อย่างสมมติเขาบ่นว่าเขาป่วยเขาไม่มีเงินเขรสิ่งนั้ะคนที่ฟังก็ก็สึกว่าอเรา ต้องไปช่วยต้องคือเขาเป็นแบบพี่น้องกันแล้วก็พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะมันว่าเออมาบนให้ฟังแบับเขาช่วยไปหลายทีแล้วก็เหมือนกับไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเหตุผลดูขอบเขตของความช่วยเหลื อ, อว่าพอประมาณหรื อ, อยังเราเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเราเดือดร้อนเราก็ต้องบอกว่าช่วยได้แค่นี้แหละต้องใจ ใจเข้มแข็งมีเหตุมีผลอยากจะช่วยแต่บอกมันช่วยไม่ได้เพราะช่วยแล้วเราตายเงี้ยต่อไปก็คุณก็มาช่วยเรามาสายเราไม่ได้อยู่ดีเหตุนตอนนี้มันถึงขีดที่ว่าช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยเพราะความตนีนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ เราคิดว่าเป็นการทำบุญไปจะได้คายความตนันหนลงเรอคิดว่าเป็นการสร้างบุญคุณกันเต่๋ยววันข้างหน้าเราอาจจะปรับปรับกันเปลี่ยนกันเราเดือดร้อนเขาช่วยเราได้ถ้าเราเคยช่วยเขาเขาก็จะยินดีที่จะช่วยเราแต่ถ้ามันเกินขอบเขตแล้วทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ต้องทำใจที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาขอมาบวนก็ปล่อยก็ ข, ขอไปแล้วก็ ฟังเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาไปหรือถ้าทนไม่ได้ก็พุทธโทพุทโทไปภายในใจให้เขาพูดไปทำตัวเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยเดี๋ยวเขาคุยกับต้นเสาไปสักพักเขาก็เบื่อ เ, เองถ้าไม่มีการตอบโต้ไม่มีการตอบสนองเดี๋ยวเขาพูดไปสักพักเขาก็เบื่อแล้วตอบไปเขาก็จะไม่กลับมาถ้าขอได้เขาก็จะกลับมาเรื่อย ถ้าถ้าขอแล้วไม่ได้ต่อไปเขาก็ไม่กลับมาปกติพ่อแม่ก็จะทําใจไม่ได้กับลูกคุณแบบทําใจไม่ได้ก็ทุกข์กัเลยก็เท่านั้นแหละจะทําไงอยากจะทุกข์ก็ต้องก็ต้องก็ต้องไม่ทําใจถ้าทําใจได้ก็ไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์ก็ต้องมองว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาแล้วเราก็ทําได้แค่นี้แหละ หรืวมองให้มันไกลกว่า น, นี้สักยี่สิบสามสิบปีก็ตายกันหมดแล้วทั้งเขาทั้งเรา ม, มันก็จบใช่หไห ม, มชีวิตเราก็เป็นเหมือนละครเดี๋ยวมันก็จบอ่ะอยากจะทุกข์เพิสิบปีเนละอแล้วเราจะดูว่าละครของเราจบตอนนี้คือปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิด ก, ก, ก, ก็กรรม กรรมของเขากรรมเราด้วยถึงมาเจอกันเวลาอาจารย์บอกว่าปล่อยวาง น, นี่คือเราก็สมมติมีข้ามากระทบใจเราล้วก็มองผ่าน อ, อย่าเอามาแบ่อย่าเอามาคิดเ้าคิดว่าช่วยไม่ได้มันสุดวิสัยทำอะไรไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำไปก็ได้มันไม่ไม่ว่าจะศาสนาใน คนนับถือศาสนาไหนปัญหาก็อันเดียวกันนนะปัญหาของความทุกข์ใจความเครียดใจนี่เกิดจากความอยากแต่ศาสนาก็มีวิธีแก้กระต่างกันไปแต่ทางศาสนาพุทธนี่เป็นวิธีแก้ที่ตรงประเด็นตรงจุดเป็นสากลแก้ได้กับคนทุกศาสนาแต่ถ้าก็ไม่เชื่อมันก็ช่วยไม่ได้ศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนยา ย, ยี่ห้อหน่งนี้ ที่รักษาโลกได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบยี่ห้อนี้เขาชอบยี่ห้อนันก็ก็ช่วยไม่นายเขาจะคิดไม่เหมือนเราเพราะว่าคนแต่ละถูกสอนมาไม่เหมือนกันไงเพาอย่างศาสนาพุทเรารู้จัปล่อยวางให้มันผ่านไปเปิดขึ้นตั้งดีดับไปใช่เขาปล่อยไม่ได้บางทีความเมตตาของเขานี่กลายเป็นความ ความปวดร้ายทารุณที่เขาไม่รู้สึกตัวฆ่าเพราะตัดเห็นว่าเขาเจ็บรักษาไม่หายก็ฆ่าเขาเลยดีกว่าก็ <c oughs> าจะได้ไม่ทรมานพวกสัตว์เลี้ยงนี่เขาฆ่าเหมือนเวลาที่มันเป็นเป็นโรคภัยแล้วมันรักษาไม่ได้ <c oughs> ไม่อยากจะดูมันทรมาน <c oughs> ก็เลยฆ่ามันแต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาหนึ่งมันเราไปตัดสินใจให้เขาเองใช่ไหม หรือแม้ตัวเขายังจะตัดสินใจถ้ า, าก็ก็เป็นวิธีที่แก้ปัญหาผิดจุดเพราะว่าร่างกายนี้มันป็นต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผู้ที่เครียดนี้ไม่ได้เป็นใจที่ไม่ได้เป็นร่างกายที่ที่สามารถที่ จ, จะไม่เครียดได้วิธีที่แก้ปัญหาก็คือต้องมาแก้ที่ใจ สามีเขทุกเป็นต่างชาติไม่ให้เรื่องทั้งๆแทุกเรื่องเรื่องลูกลูกก็คือโตแล้วบางทีเราก็ทุกข์เพราะว่าเหมือนความอยากไงอยากให้มันดีคือเขาสามสิบอย่างนี้เราควารู้สึกว่าเขาน่าจะเชื่อเหลือตัวเองแต่ว่าก็ไม่พ้นพ่ออาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบมีเรื่องทุกใจมาให้แฟนเรื่อยๆเราก็ไม่อยากคือบ้านเราจะเป็นลักษณะว่ายุคโตแล้วก็ต้องให้เขาชื่อเหลือตัวเอง แต่ก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ร้านเยอะๆก็ต้องดูเหตุผลดูว่าจําเป็นต้องช่วยไหมถ้าจําเป็นต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าไม่จําเป็นต้องช่วยก็อย่าไปช่วยเพราะบางทีช่วยแล้วทําทให้เขาไม่พึ่งตัวเองก็อย่าไปช่วยเขาต้องรู้จักพึ่งตัวเองแก้ปัญหาของเขาเอง ถ้าเราไปคอยแก้ปัญหาเขาเขาก็จะโยนปัญหามาให้เราแก้อยู่เรื่อยๆ แ, บบแต่ตัวเราไม่ค่อยทุกข์ละเพราะเราจะก็มีปฏิบัติธรรมบ้างนะคะแต่รงก็จะทุกข์อยู่เรื่อยๆว่าล <ừ, S 2> ูกเขาตายไปลูกจะเป็นยังไงก็บกก็ต้องเป็นไปตาเมเดิมตามกรรมนะเพราะว่าคนเราไม่ยึดจังคนเราเองตัวนายที่สองก็ต้องตายตามกาันไปหมดแล้ว ถ้าเขาได้ที่พึ่งได้ศาสนาเขาก็จะได้วิธีแก้ปัญหาที่ถาวรถ้ายังไม่ได้พุทธศาสนาก็จะแก้แบบยาหม่องมันยังไม่ได้ไปแก้ที่รากของปัญหาเดี๋ยวกลับมาเกิดชาติหน้าก็มาสร้างปัญหาเดิมปัญหาพวกเรานี่มันเราสร้างกันขึ้นมาทั้งนั้นแหละจากความอยากของเราเนี่ย ไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์ละพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์อยูพอพอใจแล้วก็กลัวมันจะจากเราไปกแล้วเวลามันจากไปจริงๆก็ทุกข์อีกแล้วมันมาสร้างปัญหากันเองของหนึ่งดเขาก็มาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เขาก็มาแล้วตั้งอยู่แล้วเขาก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไอเราไปยุ่งกับเขาเองไปพอใจพอพอใจก็ไม่อยากให้เขาดับ พอไม่พอใจก็อยากจะให้เขาดับเร็ว เ, วเาก็ยังไม่ดับใจร้อนไปหน่อยใจเย็นๆอะไรที่ไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ดับอะไรที่พอใจมันก็ดับเหมือนกันนยังต้องทําใจให้เป็นกลางแล้วจะสบายถึงต้องมาฝึกสมาธิกันวิธีฝึกสมาธิทําให้ใจเราเป็นกลางวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เฉยเมยวางเฉยด้ว ย, ด, วยด้วยเหตุผล ฟังเฉยด้วยสติด้วยปัญญาอันไหนทาได้ก็ทําไปแต่ใงจะไม่มีความรักความชังกับสิ่งต่างๆเพราะรักก็ทุกแบบหนึ่งชังก็ทุกแบบหนึ่งรักก็ทุกตอนที่เขาจากเขาไปชังก็ทุก์เวลาที่เขามาหาเรา <c oughs> แต่ถ้าเฉยๆไม่รักไม่ชังก็สบายเขามาหาเราเราก็ไม่ทุกเขาไปเราก็ไม่ทุกไหนเหมือนใจดำนะดำตรงไห น, งนล่ะก็เฉยๆ เฉยไม่ได้เฉยเฉยแบบไม่มีเหตนไม่มีผลไงมีเงินแบกให้เขาก็ได้มีอะไรให้เขาก็ได้ช่วยโดยใครก็ได้ไงแต่ใจเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ใช่พอต้องเสียเงินเนี่ยโอ้ย <c oughs> เบื่อละถ้าเวลาดได้เงินเนี่ยโอ้ยชอบนี่ไอ้ น, นี่อย่างเรียกว่าใจดีนะใจดำใจเฉยเฉยคือว่าอะได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจนะใจมั้ย มาอยู่ตรงนี้พราะรู้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปเท่า น, นั้นแหละคุณคิดว่าของทางที่คุณมีอยู่นี่คุณจะไม่เสียไปเหรอไม่เสียวันนี้ก็ต้อเสียพรุ่งนี้แหละเวลาตายไปกลายเป็นของใครไปคุณเอาไปได้แหรอปะไม่คิดถึงตอนนี้กันบ้างไม่คิดถึงที่ตอนที่จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยถึงหมออยากให้เป็นโรคมะเร็งเนี้ยแล้วหมอบอกอยู่ได้สามเดือนนี่มันจะได้ทิ้งทุกอย่างได้มันจะไม่อยากได้อะไรแล้ว อยากจะได้บุญแล้สิอยากจะปล่อยวางแล้วสิถึงคิดให้ถึงคิดให้ใหพระเจ้าถึงบอให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าคิดได้เนี่ยความตายเนี่ยยาวิเศษยาตัดความโลคความโกรธความหลงได้อย่างทันทีทันใดเลยเ น, นี่ยไปหาหมอสิหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนด้วยมีอะไรก็อยากจะให้คนนู้นคนนี้ไปแล้วยกให้เข้าไปแล้ว กลัวว่าตายไปเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งไปก่อนตายให้ไปก่อนดีกว่ า, วาให้คิดถึงความตายแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็อย่าไปคิดนะ <c oughs> เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นตายเพราะบางคนถ้าจิตยังไม่มีความสงบพอมันจะต่อต้านหรือต่อสู้พอคิดแล้วก็จะเกิดอาการหดหู่ใจขึ้นมา แล้วอาจจะไปทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองไหนๆกูยต้องตายก็ตายแค่ตอนนี้เลย อ, นนอันนี้ก็ไม่ใช่ละไม่ได้การเจริญมรรณนุ้สติไม่ได้ให้ฆ่าตัวเราหรือฆ่าคนอื่นให้เราปล่อยวางเขาว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายไม่ต้องไปทำอะไรให้ให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆทำแล้วก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเป็ น, ปนบาปเป็นกรรมกันไปเปล่าๆ เราจะได้มีความเมตตาเออมีอะไรใครเดือดร้อนพร้อมแบ่งให้กันได้ก็แบ่งกันไปเวันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ต้องให้แบบมีเหตุมีผลเนี่ยไม่ได้ให้แบบเหมือนกับเทน้ําใส่ใส่ถังรั่วอย่างเงี้ยให้แบบนั้นก็อย่าไปให้ให้มันเท่าไหร่ก็หมดไปกินเหล้าไปเล่นการพนันหมดแล้วมันก็มาขอใหม่ถ้าให้แบบนี้ก็อย่าไปให้มัน ให้แบบคนที่รู้จักใช้เงินรักษาเงินรู้จักเอาเงินไปต่อยอดอย่างนี้เออให่อย่างนี้มันมันก็ดีแต่ให้แล้วท่านให้เท่าไหร่ก็ไม่พอกลับมาหาเราหรื อ, รอก็ก็ต้องให้มันส่วนหนึ่งที่ที่ว่าเป็นของเขาที่เราต้องให้เขาพอหมดส่วนนี้ไปแล้วเขาจะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วหรือวิธีง่ายๆก็ให้มันทีลนิดเท่าหน่อยมันมันรว่ามันจะมาขอเยอะเรื่อ ย, อยๆให้มันไปวันละนิดวันละหน่อย แล้วก็คอยเตือนมันใกล้จะหมดแล้วนะออจะได้บอกให้เขานับถอยหลังได้ว่าเหลื อ, อ ก, กี่ขอได้ ก, กี่ครั้งนะหมดแล้วนะเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ต้องฝึกทําใจ <c oughs> น, นั่งทํานั่งทําสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุขแล้วจะปล่อยได้หมด <c oughs> เสียได้หมด เงินเสียทองเสียอะไรก็เสียได้เพราะเราไม่ต้องใช้มันแลเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการได้เงินทองไม่ต้องพึ่งเงินทองนอกจากไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นไม่ต้องเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าพยายามปฏิบัติให้ได้นะของดีอยู่ในตัวเรานี่แหละพวกเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอย ของดีมีไม่เอาเจลพลอยนี่เขี่ยทิ้งหมดเลยยาวแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ตำแหน่งได้เลื่อนยศได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอไม่ได้ก็เสียใจยโกรธทุกข์เนี่ย แต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่อยากได้อะไรจะไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจเสียก็ไม่เสียใจเป็นเหมือนของแถมอย่างเงี้ยเราไปเติมน้ามันนี่เขาจะแถมผลอะไรให้เราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งก็เราต้องการก็คือน้ํามันเลยนเห็นใถ้าเราได้น้ํามันคือความสุขใจแล้วจะได้อะไรอย่างอื่นมาก็ไม่สาคัญจะเสียอะไรอย่างอื่นไปก็ไม่สาคัญ อันนี่ให้ได้อันนี้แหละเป็นของเราของแท้ของจริงของถาวร อ, อยู่กับเราไปตลอด <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมครั้งก่อนที่เก็บตัวค่ะตอนที่กำหนดอยู่แค่ปจัจจจปริยันโศแล้วมันมีอาการแรงที่ตอนหลังก็เปลี่ยนไปขก้นอยู่ข้างใน ทนี้เนี่ยตอนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนหลอกก็ต่อเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะเล่นกับเล่นกับเวทนาเราต้องมีสมาธิเยอะกว่านี้ก็เลยไม่ได้พิจารณาเรื่องของกายเรื่องของเวทนาหันมันลุยเรื่องของสติกมากขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมจังหรื อ, อ, อว่าเราโดนกิเลสหลอกไม่ให้เราพิจารณา ก็ลองก็ลองทําดูสิลองลองทําทั้งสองอย่างดูทําด้วยสติหรือทําด้วยการพิจารณาดูว่าอันไหนมันได้ผลก็เอาอันนั้นเนี่ยทำไมต้องเลือกอันใดอันหนึ่งทําไมลองทั้งสองอันดูเลยลองพิจารณาดูพิจารณาได้เปล่าว่ามันเป็นดัณตาห้ามันไม่ได้สั่งให้มันหายไปไม่ได้เมื่อสั่งให้มันหายไปไม่ได้ก็อยู่กับมันไปสิอย่าไปอยากให้มันหายแล้วใจก็ไม่เครียดอย่าไปเกลียดมันสิหัดชอบมัน เออฉันชอบเธอเหลือเกินเจ็บกว่ น, นี้ไม่ได้เลยให้มันชอบมันชอบกาแฟดูสิจะจะไม่อยากให้มันไปรอเอาความชอบกาแฟมาใช้กับชอบกับความเจ็บดูเลยทําได้ไหยเวลาเราชอบกาแฟเป็นยังไงนึกถึงตอนนั้นแล้วก็อามาใช้กับใช้กับความเจ็บนี้ดูถ้าเราชอบมันแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับมัน เป็นอาจารย์หลายๆอย่างกันที่อย่างที่าอาจารย์บอกว่าอาการยอย่างนี้จะถือว่าเป็นจิตฟุ้งเดี๋มันวนตรวงัน้นม่มนมออถ้ามันฟุ้งก็พุโทโธไปก่อนดีจะใช้สติไปก่อนอทําใจให้นิ่งก่อนถ้ามันอยู่ที่ว่าใจเราเนิ่งหรืออย่างถ้าใจไม่นิ่งก็พิจารณาไม่ได้ผนทอมันจะเกิดอาการต่างๆอันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าใจนิ่งแล้วพิจารณามันก็จะเป็นเหตุเป็นผลเอใช้อุบายต่างๆก็จะใช้ได้ เอาความชอบกาแฟมาใช้กับความชอบความเจ็บก็ได้มันก็เป็นความชอบอันเดียวกันนี่แหละถ้าชอบกาแฟได้ก็ชอบความเจ็บได้ใช่ว่าชอบคนที่เขากินพริกคนที่เขาชอบกินพริกเขายังมีความสุขได้ใช่หมก่อนที่ไม่ชอบกินพริกก็เอาความชอบนี้มากินชอบกินพริกเหมือนคนอื่นเขามันก็มีความสุขได้คนไม่ชอบกินพริกนี่เวลากินพริกก็โหยทุกข์เนี่ แต่คนที่ชอบกินพริกนี่โอ้ยเท่าไหร่เท่ากันใหัดมาชอบความเจ็บดีต่อไปมันจะเจ็บเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เท่ากันอย่าหนีความเจ็บอย่ารังเกียจความเจ็บพยายามเดินเข้าหาความเจ็บเหมือนกับเราเดินก็าหาแฟนเนี่ยคือต้องนั่งบ่อยๆให้มันเจ็บบ่อยๆเจ็บนานๆอย่าไปทิ้งแฟนอย่าไปหนีแฟนต้องนักแฟนถือความเจ็บนี่เป็นแฟนของเรา ก็แฟนนี <Wyoming S 2> ่ไงก็ก็แฟนนี่แหละก็แฟนี่แหละเป็นแฟนของเราเนยอยู่กันมานานตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ยอมทิ้งมันเลยใช่ไหมนี่เป็นอุบายอันหนึ่งพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนใจเราจากชังให้เป็นรักสิ่งไหนที่เราชังหัดรักมันแล้วสิ่งไหนที่เรารักหัดเกลียดมันมันจะได้เฉยๆกับมันได้ ถ้าเราเกลียดอะไรเนี่ยเราจะอยากจะปัดมันทิ้งไปพอปัดไม่ได้มันก็เครียดมันก็ทุกขึ้นมาถ้าเรารักอะไรเราก็อยากจะดึงมันไว้ให้อยู่กับเรานานๆพอมันไปดึงไม่ได้ก็เครียดอกีกทุกข์อีกนี่ยเราต้องหัดสลับทํากันอันไหนที่เราเกลียดเราหัดรักมันอันไหนที่เราชอบเราไม่ชอบ เ, อเราชอบเราหัดเกลียดมันแล้วต่อไปเวลา สิ่งที่เราชอบจะจากเราไปเราก็จะเฉยๆเพราะเราจะเกลียดอมนันพอมันเราเกลียดมัแล้วมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยบางชุดซื้อเวลาเห็นที่ล้านเนี่ยชอบซื้อมาใช่ไหมพอมาใสา่ขนสองขนเกลียดมันแล้วพอใครมาขอให้ไปนี่โอ้โหดีใจยกให้เขาไปเลยใช่ไหมใจเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากรักให้มาเป็นเกลียดได้เปลี่ยนจากเกลียดให้เป็นรักได้ แต่ต้องใช้เป็นอุบายเพื่อมาแก้ท่านั้นอย่าไปอย่าไปเกลียดจริงๆจังๆกับสิ่งที่เราไม่เราไม่ควรจะมีความเกลียดกับใครเพียงแต่เอาความเกลียดนี้มาแค่ความชอบความรักแล้วเอาความความรักมันมาแก้ความเกลียดเท่านั้นเอามาอาใช้ความรักมามาลักกับสิ่งที่เราเกลียดแล้วเอาความเกลียดไปใช้กับสิ่งที่เรารักเวลาสิ่งที่เรารักจากเราไปเราจะได้ไม่เสียใจ พอเราจะเกลียดเขาละเราเกลียดเขาเป็นละแล้วเวลาสิ่งที่เราเกลียดมาหาเราเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเราจะรักเขาได้อ่านหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาพูดว่าสำหรับพระที่ปฏิบัติจนถึงขั้นแต่ที่รู้แจ้งเห็นจริงก็กลังสงสัยว่าการที่เคยอ่านนะคะก็บอกว่าพระ โรคเนั้ยเนี่ยจะสามารถที่จะอ่านใจคนได้เนี่ยคนใจนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะที่จะไปอ่านความคิดของอคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าว่ากําลังคิดอะไรคือการรู้แจ้งเห็นจริงนี่มันมีหลายหลายรู้แจ้งแต่ที่ทางเป้าหมายของศาสนานี่อยู่ที่รู้ในอริยสัจสี่รู้ทุกขสมุดไทยนิโรธมากรู้ตายรักอันนี้รู้ต่เรื่องของตัวเอง แต่คนอื่นเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันมีความรู้พิเศษแถมขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับคนบางคนที่มีวาสนาอาจจะในอดีตชาติเคยเคยฝึกเคยเคยเรียนมาทางนี้ก็สามารถใช้จิตนี่เอาไปทำอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสีได้ ในนดีตชาติคุณเคยฝึกให้ระลึกชาติอยู่เงนี้ยพอชาตินี้คุณมาฝึกสมาธิพอใจสงบคุณก็ย้อนกลับไปนึกถึงชาติก่อนๆได้พอในนดีตคุณเคยถูกสอนให้หัดอ่านใจของคนอื่นเอาส่งกระแสจิตของคุณเข้าสู่กระแสจิตของคนอื่นได้คุณก็ไปรับฟังเขาได้เหมือนสมัยนี้เขาเขามีเครื่องคอมเขาแฮกกันได้เนี่ยขาก็หัดคนที่ใช้ความบางคนก็แฮกไม่เป็นบางคนก็แฮกเป็นคนที่แฮกเป็นก็สามารถเข้าไป เครื่องของคนอื use, <y out ube> <read through. y out ube> ่นได้อ <rene> <tr leaked history> ันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิแล้วการฝึกจิตให้ให้ให้ใช้ความสามารถของจิตไปในเรื่องราวต่างๆนี่สามารถฝึกได้อยู่ที่เราเคยฝึกมาหรือเปล่าคือการเรียนรับรู้ได้เนี่ยเกิดจากระแสจิตใช่แล้วจิตเจตบของเรานี่ยเป็นเหมือนสถานีวิทยุรู้ปล่ามันคิดจะไปมันก็กระจายเสียงแต่มันเป็นเสียงทิฟคนที่มีหูทิฟเขาก็ฟังได้ รูปคลิปก็เหมือนกันเ ล, ลึกชาติเหมือนก็เ ล, ลึกไปในอดีตได้เป mm ็น hmm. ได้จิตนี่นอกจากที่จ ะ, ะสามารถทําให้ตนเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะก็ยังสามารถสร้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความอภิญญ า, าต่างๆขึ้นมาได้เฮอ้นเดินอากาศอย่างพระโมคคัลลานี่ท่านมีอิทธิฤทธิหลายรูปแบบแต่พระสารีบุตรไม่มีเลย เพราะสาวริบทุท่านเน้นไปทางปัญญาท่านเคยถูกฝึกให้คิดไปในทางปัญญาอย่างเดียวแต่พระพุทธเจา้านี่ท่านถูกใครฝึกมาทุกแบบเลยเพราะก่อนที่จะตัดสรู้ท่านก็นไม่รู้ว่าวิธีไหนถูกไปอยู่กับอาจารย์องค์ไหนสอนให้ทําอย่างไรก็เรียนแบบนั้นไปก็ลเลยสะสมความรู้ความสามารถพิเศษเห่านี้ไว้แต่ความรู้ความสามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกนี้มีอันเดียวคือวิปัสสนา พรให้เราหาะเหินเดินอากาศได้หูทิพตาทิพย์ลึกชาติได้อ่านใจของคนอื่นได้ติดต่อกับเทวดาได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาวิเคราะห์เหตุผลเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกได้เพราะกองทุกนี้เกิดจากการที่เราไปติดมีเหตุมีผลทุกเกิดจากความอยากของเราแล้ววิธีจะดับความทุกข์ก็ต้องละความอยากของเราและเครื่องมือที่จะใช้ละความอยากก็คือต้องเห็นไฟลัะ เห็นอสุภเห็นเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูน่าชมเพราะฉนั้นมันมันมันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของเหตุผลถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้คนที่มีฌานมีอะไรมีความสามารถมีอัพินยานี้ไม่สามารถมาฆ่ากิเลสได้ดีไม่ดีกลับกลายเป็นาธาตุของกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวก่อนที่มีหูทิพตาทิพ ก็เลยบางทีเกิดความอยากไปทำอาชีพเป็นหมอดูนี้ก็เลยแทนที่จะไปบวชแทนที่จะไปปฏิบัติเพื่อตักกิเลสก็เลยเอาความรู้นี่มาเป็นเครื่องมือหากินหาหาเงินหาทองหาความสุขมันก็ยังเป็นเป็นเป็นธาตุของกิเลสอยู่กิเลสเอามาใช้เป็นเครื่องมืออุตตฌาจึงทรงย่ ง, งยง่ยองพระสาวรีบวดว่าเป็นอัครส า, าวกมือขวา เพราะว่าเป็นปัญญาเก่งทางด้านปัญญาปัญญานี้มีคุณค่ากว่าอภิญญาอภิญญาไม่สามารถอภิญญาตามลําพังอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้หลุดพ้นจากกองทุก์ได้ภาษาลิบุตรเ อ, อพระพระโมคคัลลาท่านก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ท่านมีปัญญาพอที่จะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากกองทุกได้แต่ท่านมีไม่มากเท่ากับภาษาลิบุตร ภาษาลิบุตรท่านมีมากจนสามารถสั่งสอนคนอื่นให้เห็นเรื่องวิธีแก้การดับความทุกข์นี้ได้อย่างง่ายอย่างอย่างชัดเจนอย่างเก่งกว่าพระโมคคัลลานะถ้าเป็นอาจารย์สอนคนพระพระพระสาราิบุตรนี่เป็นอาจารย์ที่เก่งกว่าพระโมคคัลลาถ้าจะสอนเรื่องวิธีดับทุกข์แต่ถ้าจะสอนเรื่องวิธีเหาะเหินเดินอากาศสอนเรื่องอภิญญานี้ พระโมกขลานี้เก่งกว่าภาษาริบุอะไรยังที น, ง น, งนี้เอาไปปฏิบัติดู <c oughs> เดี๋ยวเราอาจจะมีไรแถามมาก็ได้ไไอย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านติดต่อกับเทวดาได้รู้สึกอ่านจิตของลูกศิษย์ลูกหาได้ไท่านกัลลลึกชาติได้ครูบาอาจารย์บางลูกท่านกัลลลึกชาติได้ไปว ที่พวกก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะบางทีมันก็พวกเอ่พเอพวกก็เรกอะไรพวกกุกข่าวกันขึ้นมาก็มีพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเราอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนแต่ก็ไม่ต้องไปปฏิเสธใครก็พูดอะไรก็ฟังไว้ฟังไว้ เวลาเวลาที่เวลาไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยจะมีผู้สอนใช่ไหมคะเป็นอาจารย์ผู้สอน <c oughs> ก็จะบอกว่าคนเราเวลาปฏิบัติมากๆเกิดสติและปัญญาการเกิดสติและปัญญาเนี่ยคือในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่าคะหรือว่าคําว่าเกิดปัญญาสําหรับสาธุชนทั่วไปที่ททททดําเนินชีวิตไม่ใช่อยู่ในก็เป็นปัญญาระดับโลกี้ระดับของ ของของของปุถุชนนไงแก้ปัญหาทุกอย่างปัญหามันก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุถ้าเราไปวิเคราะห์เหตุได้ว่าทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเป็นยังไงก็ไปแก้ที่เหตุนั้นเช่นจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับทา ง, ทางบ้านอย่างเงี้ยปัญหาคนเขาจะมายุ่งกับเรามาบ่นมามาขอเงินเราเราก็ไม่อยากจะให้เขาเเราจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยวิธีหนึ่งก็คือจะไปเจอกัน ถ้าต้องเจอกันก็ต้องแก้ที่ใจถ้าเราปิดไปปิดปากเขาไม่ได้เราก็ต้องมาปิดใจเราเราก็ทำใจอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญาแต่มัไม่ได้แก้เพื่อจะดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแ ล, แล้วจริงๆแล้วสำหรับสาธุชนกับผู้ที่บวชเรียนเนี่ยการเกิดปัญญาจะต่างกันนะคบคือ หมายถึงว่าสยย่วนใหญ่พระสงฆ์หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเยอะๆเนี่ยเกิด ป, ปัญญาทุกทีเพื่อที่จะดุลคุณใช่ไหมครัอมองเห็นได้ไไแต่แตทางสาวุจทางปุตุชนนี่ยังจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะติดอยู่กับโลกอยู่เช่นยากจนจะหาวิธีทํางานให้รวยเออันนี้แต่ทางพระนี่ตัดไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาความรวยเลยเพราะร่ัวรวยแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมด เ, เดี๋ยวก็ต้องตายอะไรแก้ไม่เหมือนกันแก้คนละเรื่องกันอย่างเราอยากจะเสริมความงามแล้วก็ไปที่ร้านเสริมสวยแก้ปัญหาปรึกษากับช่างแล้ว่าทำไงให้หน้าตามดูสวยขึ้นเขาก็บอกอ้าทําผมทรงนี้แบบนี้สิ อ, อ, อันนี้ก็แก้แบบทางโลกแต่เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่เป็นปัญญาของธรรมปัญญาของทางโลกส่วนใหญ่จะเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่เป็นปัญญาของธรรม แตแก้แก้แกปัญหาได้เช่นเราทธาหากินลําบากค้าขายไม่ดีก็ต้องใช้ปัญญาดูวิเคราะห์ดูว่าเออจะทําอะไรดีเปลี่ยนอาทีพดีไหมเปลี่ยนสินค้าขายดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยนที่ขายดีมไหมอันนี้ก็เป็นปัญญาของกิเลสัองนั้นะเพราะทํำไปเพื่อจะให้รวยขึ้นถ้าเป็นปัญญาทางธรรมก็ถ้ามันยุ่งยากนั้นก็อย่าไปขายไปเลยไปบวชซะ <c oughs> ทางนี้เป็นปัญญาทางธรรม ปัญญาทางธรรมคือให้ตัดให้ตัดตัดไปไม่ใช่ให้ไม่ใช่พยายามจะให้ให้สะสมขึ้นมาให้มีมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันยุ่งยากนะก็อย่าไปมีมันเลยจบเพราะได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดอีกอะมันก็เสียใจก็ต้องหามาใหม่แล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พออีกอะก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆรื่อยมีอะไรไหม เกิดขออนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัตินะแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับอาจาร์ขอถังขอฟัอองเยายาจะเกิดกำลังใจแลบนี้คือที่ดูอา่านหนังสือที่อาจารย์เนส น, นอต่อไปอาจารย์ตั้งบรรยายตึงตอนที่ดอกบัวดอกที่สองจะบานให้ร่งางใจเช่นนัแล้วก็ทาลาย ทำลายไปทําพิลังงากายสร้างทำลายไปเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดจิตมันหลุดออกมาเองทีนี้เนี่ยมันต่างกับกับที่เหมือนเคยได้ยินคนหลายๆคนก็ชอบพูดว่าเขานั่งสมาธิเนี่ยจิตเขาหลุดออกมาเขาข้างนอกเขาเมาเห็นลักษณะสองอันเนี้ยพระอาจารย์ก็เหมือนกันเงก็หลุดออกมาจากกายทําลายร่างกายไปพอร่างกายถูกทำลายไปหมดมันก็เหลือแต่จิตตัวเดียว มันก็เหมือนกันไอ้ที่หลุดนั่นนั่นขหลุดด้วยด้วยด้วยสมรถะด้วยการพุทโธพุทโธบริกรรมเจริญสติไปพอจิตรวมลงมันก็เหมือนกับได้งออกมาจากร่างกายแยกกันออกไปแต่ถ้าใช้วิปัสสนาก็เผาร่างกายทําลายร่างกายนี้ให้มันกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปพอร่างกายหายไปหมดก็เหลือแต่จิตลว้วนๆแยกกันออกไปอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาที่ทหนูเห็นคนหลายคน อย่าไปยุ่งกับคนอื่นก็พูดเลยนะยุ่งกับตัวเราเธอชอบไปเอาเรื่องของคนอื่นมาให้เรามาเขาชอบพูดให้เราสาบส่วนนี่เราก็บอกแล้วตอนนี้หายสับสนแล้วยังอ่ะเราก็ไปทำดูสิโอ้มีปัญหาร้อยแปดปฏิฆยังเข้าใจอปฏิฆะมันต้องขั้นระดับขั้น สกิดาคามียน า, าคามีเข้าไปแล้วก็ถึงเรียกว่าปฏิฆะตอนนั้นท่านไม่มีไม่มีความทุกข์กับเรื่องทางโลกแล้วทางไอ้ทางลาบยศสรรเสริญทางร่างกายของตนแล้วท่านมียังมีการอารมยังอยากจะสวดการมอยู่ยอ่าอาการอปวดนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ความเครียดเนี่ยทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เนี่ย มีท่รนแสดงว้าแนวระยะสัตย์ทุกที่ทุกคืออะไรทุกก็คือความการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกที่เกิดจากการพัดพากจากของที่เรารักทุกที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบคือโดยสรุปท่าแล้านี่ยังเป็นทุกข์ในขันห้าอยู่แต่ขั้นของเรานี่มันเป็นทุกข์ในขันห้าเหมือนกันแต่ไอขันอ้นปฏิฆานี่มันมันทุกข์ในในร่างกาย ของคนนั้นคนนี้อยากจะมีความอยากจะร่วมเสกความสุขกับเขาลองไปบวชทีถึงจะเจอตัวนี้ถ้ายังไม่บวชทีมันเจอตัวแค่ตัวไอตัวอื่นตัวลูกน้องมันไอตัวใหญ่มันยังไม่ออกมาเพราะมันยังได้รับการตอบสนองอยู่เข้าใจไหมลองไปบวชชีแล้วมันจะเจอตัวนี้ตรวจพระแล้วมันจะเจอตัวนี้ ไปอันนี้เจอกับตัวที่ทำงานคนนู้นทำนู้นนี้ไม่พอใจก็หงุดเงิดขึ้นมา